เนี่ยรับแล้วก็ไม่รับก่อนจะจากกันไปฉันฝากใจเอาไว้กับเธอฝากแล้วเธอก็รับรับแล้วทำก็เกอมั่นใจอยู่เสมอคิดว่าเธอจะไม่แแปลพัน เพีงแก้มให้กันทั้งวันแล้วไวใจรับปากจากฉันวันนั้นเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้นหนไม่รักก็ไม่น่ารักนี่รักแล้วก็ไม่รักมารับปากฉันทําไมระว่างจะจู้จีกันเลิกใจ นี่รับแล้วก็ไม่รับไม่รับก็ไม่น่ารับนี่รับแล้วก็ไม่รับก่อนจะจากกันไปฉันฝากใจเอาไว้กับเธอฝากแล้วเธอก็รับรับแล้วทํากระเ่อนมั่นใจอยู่เสมอคิดว่าเธอจะไม่แปรพันและแล เอียงแก้มให้กันทั้งวันแลว้วหัวใจรับปากจากฉันวันนั้นเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้นานไม่รับก็ไม่น่ารับนี่รับแล้วก็ไม่รับมารับปากฉันทําไมเระว่าเธอจู้จี้กันแล้วใจฉันเอาไป มีเา